เป็นเสร็จแล้วก็ <c oughs> ได้ชินได้ฟันธรรมะแป็งคุสมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจ <c oughs> แล้วก็ผู้ที่พูด <c oughs> ก็ในบุงคุสมว่าเป็นธรรมทานเป็นรามอย่างหนึ่งที่เป็น อานสมมากด้วยก็คิดว่าโอกาสดีๆก็จางก็นิ่งมมให้ธรรมาได้พูดไปก็ก็คิดว่าผมไม่ได้มากก็พวกเราก็ลมมือปฏิบัติทำกันก็เป็นอานสมยันยิ่งเป็นการปฏิบัติภาวนา ทานที่เป็นภาวนานี่เป็นอันสมยันยิ้นเพราะว่าได้หาเจริญจิต จ, จิตใจที่แท้จริงสัมผัสกับจิตใจแล้วก็เจริญพัฒนาจิตใจนี่มาจากการปฏิบัติ เป็นปัะภาปัญญาที่เกิดขึ้นก็มันสามอย่างจากหนังสือจากฟันธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งแล้จากความอ่าเป็นยนิโซมนานสิกาความคิดที่ถูกต้นพิจารณาที่พิจารณาเครื่องไข ก็เป็นเกิดปัญญาได้น อ, อกจากนั้นที่อนงสนได้มากปัญญาเกิดขึ้นจากปาวนาปาวนายะปัญญานี่ก็ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรินพัฒนาจิตใจเพราะว่า <c oughs> ปัญญาหน้เงินเป็นเป็นบิชาทำลายอวิชาทำลายความหลมทำลายความไม่รู้ตัวทำลายความยึดมั่นถือมั่งกับอัตตาเป็นตัวตนถ้าไม่รู้ ชีวิตของเราก็หลอนทาไปได้ง่ายโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็ทาลายตัวเองทาลายกายตัวเองทาลายจิตใจตัวเองแล้วก็ทาลายครอบครัวก็ได้ด้วยไม่ว่าเราไม่อยากที่จะความวุ่มวาย ที่ครอบครัวเกิดขึ้นสามีภรรยาทะเลาะกันจริงๆแล้วไม่อยากทำก็อยากได้มีความสุขกระแสด้วยกันเป็นที่ความอบอุ่นใจอยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวแต่ทำไม่ได้ก็เพราะว่า มันความยึดมั่นถือมั่นความมาวิจารความตัณหานี้เองคก็มาวางก็ตำมาก็สนทนากับญี่ปุ่นคนหนึ่ง <c oughs> ก็อ่าก็เล่าให้ฟังชีวิตที่พานมาก็ขเขาบอกว่า ก็ตอนนี้ก็กอ็อายุก็สีส่สกว่าแล้วจิน้ามีภรรยาเคยมีภรรยาที่เป็นผู้ที่นิสัยดีแต่ว่าตัวเขาก็ภรรยาทำให้ อะไรก็ไม่พอใจก็ว่าด่ากันไม่เอาใจใส่สิ่งที่อะไรทำให้ก็ก็ไม่ได้รับโดยให้คำว่าขอบคุณได้ก็เล ก็เรียกว่ า, าไหนก็เรียกว่าบ่นบ น, บ น, บนตลอดสุดท้ายนี้ก็ประยาก็ตำไม่ได้ก็ว่าอย่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ก็รวมที่จะพิจารณาดูว่านีเองมมาจาก ว่าตัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่อยากผู้อย่างนี้คําว่าไม่อยากผู้คําเอาใจใส่ไม่อยากคําผูดที่เป็นใจดีเพราะว่าเขาก็เคยมีพ่อก็ก็ว่าด่าตลอด ตอนที่เขาเยอะยยัเป็นเด็กๆทำอะไรก็พ่อก็ไม่พอใจลูกทำอะไรก็ไม่เห็นด้วยว่าดากันตลอดก็เลยตัวเองเขาเองนี่ก็โตขึ้นมาแล้วก็ทำยามพ่อว่าด่าไป หรือว่าเป็นภรรยาทมอะไรเป็นดีๆก็ยอมรับไม่ได้แล้วก็บน่น mm hmm. แล้วก็ว่ากันภรรยาสุดท้ายนี้ก็คิดว่ า, าเขาไม่ได้มีความรักตัวตัวเองทมอะไรก็ไม่พอใจทมอะไรก็บองกันก็เลย ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปนี่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนนั้นคนนี้เป็นไม่ดีแต่ว่านี่เป็นอวิชานี่เองตัวตอนนี้เองเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกทำให้ทำลายทำครบรัวได้ ก็เนจเิงๆแล้วมันเป็นความเคยชินตอนแรกๆก็พ่อว่าตารูกเลือกยิเข้ามาใส่ตัวว่าตัวเขาก็เออช่วมันตัวเองไม่ได้เพราะว่าว่า ว, วาตัวเองได้ตลอด ว่าทำเออว่าไม่เก่งอ่ไม่ได้ตัวเองพยายามที่จะทำให้สร้างความดีไปเรื่อยแต่ว่าปอใจไม่ได้เพราะว่าความว่าตาจากพ่อเอามาใส่แล้วก็ว่าด่าตัวเองตลอด ก็เลยสินทิตสร้าง ม, มาทำการสำเร็จหรือว่าสร้างบ้านอะไรก็ไม่พอใจไม่มีความสุขแล้วก็ว่าตาตัวเองต่อไปก็มีเมีมยภรรยาช่วยเหลือทำดีแล้วก็บอกว่าไม่ต้องว่าตัวเองคุณดีแล้วก็ไม่ ไม่ยอมรับไม่ได้แล้วก็บอมกันบองกันว่าด่าตลอดก็เชื่อมั่นตัวเองก็ไม่มีแล้วก็ไม่พอใจกับตัวเองอันนี้ก็มันเป็นเคยจริงทําอะไรก็ไม่พอใจเป็นอะไรก็ไม่พอใจไม่เป็นมิสัยเป็นมานาน ก็แล้วก็พ่อก็เป็นของขี้เมากินเหล้ากันตลอดตอนเขาเด็กๆแล้วก็เขาแองไม่อยากเหมือนพ่อแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความทุกข์ก็อยทำยามพ่อก็กินเหล้าแล้วก็เริมตัวแองกัน เป็นบิตรีการที่ช่วยเหลือตัวเองบิตรีการแก้ทุกข์ที่โดยไม่ถูกต้องก็ได้ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งความฉกความมั่นใจตัวเองก็ลดลมไปแล้วก็ทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือ น, นกับว่ากินเล้าอย่งอางไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็น ยาฆ่าแมาลงก็ตอนแรกก็มีแมลงก็ใช้ยาฆ่าแมาลง น, นิดๆก็แมลงก็ตายไปแล้วก็ปลอพอได้แต่ว่าต่อไปก็ใจแล้วก็อยแมลง น, นี่ก็ไม่ตายต้นใช้มาก ยิ่มมัใจมากก็ยิ้มแมลงก็เคยจินแล้วก็ต้นใช้มากขึ้นยิมมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเาก็เหมือนกันตอนแรกก็ก็รักษาไปได้รักษาความทุกข์ดื้ตัวโดยสมมเป็นปีการเป็นอมภาษแต่ต่อไปก็ กินแล้วก็ไม่พอก็ต้องกินมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเดิมสติยิ่งเป็นท่าของอารมณ์ความโกรธความอะไรต่างๆสารพัดก็ก็มโดยไม่รู้ตัวไปเรื่อยๆเป็นหลมไปเรื่อยๆตัวเองทําอะไรก็ไม่รู้เป็นท่าของอารมณ์ท่า ของความไม่พอใจความกรอบไปสิ่งที่อะไรอของเออทำดีก็ไม่พอใจว่าดา่าก็เหมือนกับาตอนที่เด็กๆทำพ่อทำตัวเองทำให้เรานี่ก็ทำดูทำเหมือนกันนี่ก็เป็ น, นิสายมาก็ ก็พอดีเขาก็ได้อ่านหนังสือที่อาตมาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น mm hmm. ก็เรื่องการเจริญสตินั่งแอน mm hmm. แล้วก็การเป็นธรรมะ mm hmm. ก็พอดี mm hmm. เขาก็ติดตมา mm hmm. คิดว่าเป็นาฐานที่ดีรักษาความทุกข์ก็ได้ mm hmm. ก็ตดลอดูมา mm hmm. ได้ แล้วก็ก็เขาก็ตั้นใจปฏิบัตินะก็ก็คายเกลืใจอ่าแล้วก็ก้อยๆตื่นตัวด้วยจรุนสติอยู่กับปัจจุบันแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรอกสิ่งที่อะไรความคิดก็ไปอดีตเป็นเรื่องพอ่อ เรื่องอสิ่ที่ความาความทุกข์ก็มันเป็นไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่สบายใจก็ซึมซึมเศร้าเศร้ า, า, าทุกทุกก้มใจเพราะว่ามันก็ติดกับเรื่องอดีตเรื่องที่ อตอนที่เขาความทุกข์แล้วก็ว่าตาไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวกับตัวเองกับพ่อแม่และที่นี่ก็ก็คอยๆเตือนเตือ น, นก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่ ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ได้เป็นท่าของความคิดเรื่องอดีตแล้วก็เรื่องอนาคตแต่กอก็กำบนใจตัวเองทำอะไรไม่ได้ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีก็ ค, คิดตลอดแต่ว่านี่ก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็พิจารณา ได้ได้ปัญญาว่าอ๋อนี้แหละเป็นธาตุมา น, านแล้วธาตุของความคิดธาตุของอารมณ์ตัวเองไม่ได้อยู่กับเทนี่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตอนที่อยู่กับอา่าภรรยานี่ก็เออก็เป็นธาตุของความคิด ก็เลยไม่ได้พอใจกับปัจจุบันนี้ก็เลยว่าดากันนี่ก็เป็นนิสัยมาแต่ว่ากำลังจะหารจากนิสัยที่ความจริงเป็นมาก็ค่อยๆอลดออกจากไป ก้อยก้อยอยู่กับปัจจุบันนี้ได้อยู่ที่นี้ได้ก็ความยิ้มก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นว่ามันซึมซึงทุกๆมานางก็นี่อดีตก็ปลามไปแล้วก็มันเป็นเออเป็นกรรมมา ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องอดีตภรรยาหนีไปก็ก็มันเป็นที่สาเหตุที่ทำให้เขามาสุกโตได้พอ่อตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เขาก็กดคนพ่อได้เพราะว่า เขาก็ทุก์ก็เลยพยายามที่จะแก้ไขทุกข์เข้ามาที่สุคตโตได้ได้สัมผัสกับธรรมะที่แท้จริงก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้อ่เป็นโลกเป็นอย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้น ตอนนี้ไม่ใช่เป็นทาสของมันอยู่แล้วค่อยๆเป็นเจ้าของของจิตใจของตัวเองได้<อ>ถ้าเราอยู่ที่กับปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นทาสของความคิ ด, ค, ดความอาจเป็นอดีตอนาคตได้เราก็สร้างปัจจุบันนี้ได้ก็สาอดีตอนาคตก็เป็น ความดีตามไปได้เพราะว่าเป็นกรรมอดีนี้ก็สร้างปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็สร้างอนาคตถ้าปัจจุบันดี อ, อ, อดีตก็ดีไปหมดแล้วปัจจุบันนี้ความสุขได้รู้สึกความสุขได้ได้ขอบคุณได้อดีตก็อขอบคุณด้วย ที่ทำให้เรามาอยู่ตอนนี้มาอยู่ว่าปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างความดีคกคุงปัจจุบันนี้ได้ก็อนาคตก็คก็ดีก็สร้างเป็นเป็นเป็นกรรมก็ค่อยๆเก่าใจก็ออก็จริงๆคนก็ ส, สะสรลสำเบ็คนเราถ้าไม่รู้ตัว โรกรรมครอบกรรมกับอวิชชาความหลมก็ตัวเอไม่อยากทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นอยากมีความสุขอยากอยู่กับความสุขกับครอบครัวก็ทำไมได้เพราะว่าหลืมหลมไปเป็นท่าของความทุกข์แต่ตรนนี้ก็ถ้าเรารู้ ต, ตัวปัจจุบันนี้ก็สร้างกว่าเราเลือกได้ด้วยความดีแล้วก็รักความทุกข์ไปได้ละความโกรธความหยาความหลอมไปได้เราก็รูมที่จะออกจากความผิดที่ทำลายร่างกายจิตใจ ไม่ใช่เป็นธาตุของเล่าธาตุของความคิดที่ไม่ดีนี่แหละก็สร้างความาความสุขที่แทจ้จริงก็เขากา็ได้เลือกทานที่ดีแล้วมาสัมปัดมามีคุมค่าคุ้มค่า มาเมืองไทยอุสาหะมาเดินทางหลายพันกิโลก็สัมปัสกับธรรมะเป็นกุญแจที่เปิดความศึกที่แท้จริงชีวิตต่อไปก็ควรจะเป็นปลอดไปไม่อันตรายเราก็รู้อยู่ว่าอ๋อนี่แหละ กลับมาได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้กลับมาเป็นปกติได้ธาตุขมันเองนังตัวธาตุขมความคิดหรือว่าอั ฐ, ฐาความตัวตนนังเอนไมใจใครเป็นผมไม่ดีไม่ชัว่วพาะแค่ความาหลงนี้ก็สร้างความทุกข์ สารทางภลาปทางความทุกข์ไปอ่ออาอปัญญานี่จะช่วยเจริญสตินี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้นความจริงนะครับก็คิดว่าพอสมควรเกิเวลานะครับขอขอให้อ่ามีความสุขทุกทุกคนได้เจริญได้เกิดสติปัญญา ความสุขที่แท้จริงด้วยอายุวนาสุกาภะละทุกขคอนเธอ